ขอคราบกราวาบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอกราบธรรมส ก, กังค์หลวงพอ่พอหากรมแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านขอเจริญพรแม่ชีและญาติโยมทุกทุกท่านกับกระทำสบายสบายครับ ้มาก็เพิ่นได้กลับมาจากประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงสงกรานก็ไปก็เกือบสอเดือนจากการคิดนิมมมคนพี่ จัดการอบรมปฏิบัติธรรมถือสาวอาทิตย์ชวนที่ไม่ใช่เป็นวีคเคนเป็นสาวอาทิตย์ก็ก็ปรึกษาหารูแผงเขาสิง mm hmm. เรือนทุก จะแก้ไขยังไงถามคำสองนของพระพุทธเจ้ามาใช้แก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันสาวอาทิตก็ก็การเันริญสติที่เราทำกันอยู่ ยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมมีคำถามอะไรก็ถามมาก็ตมาก็ตอบให้ก็ชวนนี้ก็ที่ญี่ปุ่นก็กำไรกลังสนใจ <c oughs> การปฏิบัติธรรมมาใช้แค่ปัญหาชีวิต ช่วงที่ 10T เมือ่อ1995ศ .1995 นี่ก็มีเหตุการณ์โอมชินริคโยนี่โอมชินดิคโยนี่เป็นเปนการที่เอาคัดของ รถใต้ดินสถานีรถไฟใต้ดินคนที่ตายกันก็มากแล้วก็คนที่เป็นบาดเจ็บเพราะการพิษก็หาผังกว่าคนช่วง น, นั้นก็อมินลีย่ยเขาก็ว่าเอาพุทธศาสนามาใชา้ เพื่อปฏิบัติธรรมเป็นศาสนาที่อังเกิดใหม่ตอนเลขกๆก็เป็นกลุ่มโยคะแต่ว่าโตมาก็เอาคำสอของศาสนาต่างๆศาสนาพุทธทางชีเบ็ศาสนาพุทธ่างเทรว่ามหายาง แล้วก็ศาสนาคริสต์ก็มาใช้แล้วก็ปฏิบัติเข้มข้องมากบันทีก็ไม่ได้ลมหายใจหลายหน้าที่ อยู่ใต้น้ำเรือเข้าที่อ่อนน้ำที่ใส่น้ำร้อนร้อนร้อน ม, มาก47อ48องศาแล้วก็ ปฏิบัติแต่ว่าคนที่ตายเพราะการปฏิบัติก็มีบ้านท่อไปก็เอามาใช้ยา LSD หรือว่ายาอะไรต่างๆเพื่อจะอาสางจิตภาพ ที่แปลกปราหลาดแปลกๆ แ, แล้วก็หลายอย่างทำกันตั้งแต่นั้นแล้วก็คนสุดท้ายก็ก็ใช้กัดพิษหรือว่าเอาปูม ม, มาก่ากน กยคนญี่ปุ่นก็เชื่อว่าศาสนาหรือว่าพุทธศาสนาหรื่อการปฏิบัติธรรมนี้ก็เป็นน่ากลัวโยกะก็น่ากลัวการปฏิบัติธรรมเป็นเมดิเทชันนี่น่ากลัวก็คนที่มาปฏิบัติธรรมกันน้อยรองหลังจากนั้นก็ ค่อยๆเปลี่ยนมีนั้นือต่างๆก็ออกมาแต่ก่อนก็นั้นการปฏิบัติธรรมแบบาศาสนาพุทธก็มีแต่เซน เส้นนี้ก็เป็นใช้สมาธิเข้าบ ร, รรลุทมก็มีบ้านแปลว่าสมัยนี้ก็มีศาสนาแบบแตละว่าก็เข้ามา คนที่มีชื่อเสียงที่ญี่ปุ่นมาที่สุดเป็นพระสายเทรวาสมการปฏิบัติธรรมริปภณาคามาถามแบบยุบห น, น, น่อบนนอก็เป็นอาจารย์สุมนสาละเป็นอาจารย์มาจากศรีรังกา ก็ตั้งสมาคมการปฏิบัติธรรมกันแล้วก็ออกนั้งสือไปบ้านแล้วก็มีพระผ า, าก็ไปเผยแผ่ที่ที่ เจย์ญี่ปุ่นที่นางมาพลัดท่านก็ส้อมหยิบหน่อพอหน้อมือนกันแล้วก็สร้างเจดีออกนั้นเสือก็ดี B. มีคนที่เข้าใจการปฏิบัติมากขึ้นเพราะว่าคนที่กลัวมากจากโฮมชินดิโกว่าการปฏิบัติทำนี้ข้อมันก็ไม่ก็สนใจแต่ว่าสมัยนี้ก็ดี ภาษีรังกาพระปามากก็สอนเผยแผ่ธรรมกันก็แต่ว่ายันมีจำกัดอยู่ว่าคนที่สนใจก็คนที่อยากบรรลุธรรมพอตั้งก็สอน เพื่อให้บรรลุจ่าหน้าจานโน้นต้นดูนีมิตรจิตภาพต้นสมาธิแข็งกรดับก็เลยคนที่เป็นธรรมดาธรรมดา อยากแก้ไขทุกชีวิตประจำวันนี่ก็ยังขาดแคลนแต่ก็โชคดีก็ตอนนี้ก็มีคนสนใจการปฏิบัติธรรมแบบ ยมือสร้างจังหวะด้วจองกมที่พอเทียนพ่อกำเขียนก็อสอนธรรมาก็ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมที่นี่ได้มานานแล้วก็ได้ผลจริงๆแต่ก่อนจิตพึ่งสรามีทุกในชีวิตประจำวัน ก็แก้ได้รูท่ารูตันปฏิบัตินิ่ปฏิบัติแล้วก็มันจิตใจมันสมาธิมันธรรมชาติมาแต่ก่องก็ทำสมาธิแบบเซนก็รู้สึกว่าทนที่มีเสียงจา ก, กด้านนอกก็อึดอาดงึดยิ้ ก็เราก็ติดใจความสงบแต่ว่าการปฏิบัติแบบเครื่องไวน้นี้เปิดตาเดินจองกลมก็ได้ผลดีไม่ได้ติดกับอะไรก็ มีเสียงจากตัางโอกก็เฉยๆได้หรือว่าอาจจะยินดีด้วยเพราะว่าเราก็เอาก้อมูลข่าวสารจากตาหูจิตกายใจ มาใช้เป็นประโยชน์ตัวกายตัวใจของตัวเองได้ความคิดก็ไม่ได้ทำลายเราความคิดนึกออกที่จิตใจไม่ได้ติดแล้วก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ก็จิตอดีตก็ใช้เป็น บทเรียนกิอนาคตก็ความหวานดีต่อชีวิตนินอารมณ์อะไรต่างๆก็ก็เปลี่ยนแปลนได้อารมณ์เป็นเนกาท t ฟเป็นอารมณ์ที่เสียมาใจอารมณ์เป็นดีเป็นความเมตตาการุณาต่อเพื่อน สัตได้ก็จากการปฏิบัติธรรมได้ผลเต็มที่อันนี้ก็ก็เปลี่ยนชีวิตจิตใจก็เลยธรมาก็พยายามที่จะเผยแพร่ทำ ตามที่จากการกิจมิมมไปบรรยายไปสอนก็ไปบรรยายไปสอนออมาเป็นดุให้เห็นให้ทำกันทำแล้วก็ทุกคนก็ได้ เข้าใจด้วยตรงเอง็มเป็นประโยคอยยังไงมีค่ายังไงมาใช้เป็นชีวิตประจำวันแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ก่นอนแต่ก่อนก็ทะเลกับพ่อแม่หรือว่าเปร้านไม่ใช่ทะเล ทำได้เอามาอะไรเป็นประโยชต่อตันสองก้นถั่วแอนและเป็นคนที่รอบรอบเขาท่นนี้ก็ดีเป็น ่อนที่เป็นอาจารย์ญี่ปุ่นก็เป็พร ะ, ะยุทธเจ้ากุลปยุตโตเป็น ส, สามได้สามเล่มเป็นภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็พึ่นได้ออ จนากรมเป็นภาษาญี่ปุ่นของอาจารย์ประยุติประยุติโตก็ก็คิดว่าดีก็มีคนญี่ปุ่นก็รู้จกักเป็นมัจิมัปฏิปัฏตาไม่ใช่ ย่นงนี้ยันนงเป็นพอดีพอดีใจการใจการปฏิบัติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันทุกวันทุกวันรูนมือสร้างจังหวะที่เราทำนี้ก็ ก็เหมือนกับว่าคนเราทำการในชีวิตประจำวันยกมือทำการเอามือทำการเดินแล้วก็ไปทำการกลับรกับบ้างก็เดินเปิดตาเปิดใจกว้าง ก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติไม่ได้เราติดกับความสงบสงบที่แท้จริงก็ไม่มีทุกข์ไม่มีความอยากความหลงความยึดมั่นถือมั่นจิตใจเป็นธรรมชาติธรรมชาติ ถ้าเราไม่มีสติเปิดเวทนาเกิดแล้วก็เอานี่เอานั่นไม่เอาไม่นี่ไม่เอาแล้วก็เราติดใจกับสิ่งกองติดใจกับทุษดีติดใจกับวิธีที่ทอมแล้วก็ ใจกับตัวต้มเป็นภพชาติก็อชารามรณะความทุกสารพัดยานตามมาแต่ว่าเราก็รู้สุขรู้เท่ารู้ตัาโยมรับความดีใจเสียใจเป็นแก้อาการของจิตมันเกิดนึ่งแล้ว เราถ้าเราไม่ได้ติดยุดก็ดับไปเองเราก็แหมความดับไปเรื่อยๆหรื อ, รอว่าเข้าใจว่ามีอารมณ์ไม่ได้อยู่ที่เราอยู่ที่ตัวเรามันเป็นอาการปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก ขึ้นนั้นอยู่ดับไปถ้าเราไม่ได้ติดก่อยปลอยไปได้แล้วก็ก็ดับไปแอนสิ่นทุกสิ่นทุกยานเป็นธรรมชาติปลอยไปปลอยไปแล้วก็เห็นเป็นนาการเป็นภาวะที่เห็น ก็เป็นอิสระเป็นรุดพ่อมก็ธรรมชาติเป็นแท้ๆเป็น p ารมั a ธรร a m ก็มีแต่อาการเกิดขึ้นตับไปไม่ใจของเราไม่ใจตัวเรา ก็อานิจังอนัตตาก็รู้ทุกขัง ข, งขงรุก็มีความทุกข์อยู่แต่เราไม่ได้เป็นทุกข์ก็ได้ทุกข์ก็เป็นอาการเกิดขึ้นดับไปเฉยๆเป็นธรรมะแทะ้เป็นธรรมชาติ อาการกายหาการใจเจ็บปวดบ้านแต่เราก็ไม่ได้ติดไม่ได้ยึดเป็นรู้เฉยๆรู้ไปรู้มารู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อย ทำเล่นเล่นไปทำเล่นเล่นไปก็ตลอดเวลาได้ทำได้ช่วนที่ทางเข้าช่วนที่ทำอาหารช่วนที่เดินไปเดิน ม, มาสักผ้าทำความสะอาด ก็เอามามีประโยคต่กอกายตใจที่สุดก็การเจริญสติด้วยทำอะไรก็ตามผู้อะไรก็ตามคิดอะไรก็ตามมันสติมันอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนสนิทกัน ก็บันทีก็เผลอบ้านนิดหน่อยก็รู้กลับมาดูกายดูใจเป็นง่ายๆตอนที่ใช้ภาษามาใช้ว่า ความโกรธเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นก็บีธีปฏิบัติอีกอย่างหนึง่งแต่บางทีก็ถ้าเราใช้ภาษามาติดแล้วก็มังความโกรธก็สร้างขึ้นมาอีกก็ได้เพราะว่าเราธรรมดาก็ติดกับภาษาอยู่แล้ว ภาษานี่มีพาลันถ้าเราใช้ก็บันทีก็ทุบตัวเอนได้ซ้ำๆความกรอกก็ทุกอยู่แล้วแล้วก็ใช้ภาษาติดแล้วก็ทุกมากขึ้นสองเท่าสามเท่าก็ได้แต่เราก็ไม่ได้ใช้ภาษา เพราะว่ามันก็เป็นอาการเฉยๆเราก็ไม่ได้บอกว่าความกอบความยากความหล้นอะไรก็ว่าก็เราก็รู้เฉยๆรู้แล้วก็เออนี่เป็นอาการเป็นความทิฏยา น, นึงอารมณ์ยา น, นึงก็เราไม่ได้ติดกลับมันแล้วก็เป็นธรรมชาติเราก็ยอมรับ เป็นมีเมตตาจิตเมตตากรุณาาตการความกรอดของตัวเองก็เปลี่ยนแปลงไปได้ว่าเป็นเมตตากรุณาเป็นธรรมัญญาก็เราก็เติบทำให้เติบโตเป็นพารามเป็นพระนึ่งนึ่นงยิ่งขึ้นไปได้ ถาความกรดเกิดขึ้นเราก็ว่าด่าตัวเองว่าอยากทำลายยากฆ่ามันก็บันทีก็ก็มันความกรก็ซ้ำซ้ำสอนเต่า3มเต่าเพราะฉะนั้นนี่ก็เราไม่ได้ใช้พิธี ว่าฆ้ามันว่าทำลายระเมงก็เรารู้ยอมรับเข้าใจแม่ตากรุณาให้กับอาการมังก็เปลี่ยนแปลนได้เหมือนกับว่าเป็นคนที่เป็นแกเล่คนที่เป็นเด็กที่ ไม่เรียบร้อยถ้าเราดินด้นดิ้นดามันดูด้าเขาอาจจะเขาก็ดิ้นไม่ดีลงมไปแล้วคนเดียวไปเราก็เลยเราก็ยอมรับก็เข้าใจแนะนำให้ดีดีด้วยแม่ต่างการรณา เขาก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคนดีคนดีโตสังคมโตไปได้ก็จิตคนเราก็เหมือนกันเหมือนกับว่าเป็นเด็กแก่แดหรือว่าเด็กน้อยนยบางทีเป็นอารมณ์บางทีทําปิดบ้านแต่ว่าเราก็มาใจสติปัญญา จิตเมตตาการุณาต่ออาการมันก็เปลี่ยมไปได้เป็นจิตที่เป็นมีคุณค่ามีคุสมวิธีการพุทธศาสนานี้ก็ไม่ใจทะเลาะโทซื้มาใจเป็นสันติวิธี มาประโยคโทชีวิตจิตใจก็เป็นพลันนั้งเอนนี่ก็เปลีป่ยนแปลงเป็นตามธรรมชาติถ้าเราก็เอาสติปัญญามาใช้เพราะฉะนั้นเราก็ปฏิบัติธรรมยกมือยกดัานนึง ก็ได้สติก็มากขึ้นสมาธิมาเองปัญญาเข้าใจกองสังขารก็เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นจิตเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นจิตที่ฟุ้งซ่านเป็นไม่ใจเป็นการปฏิบัติธรรมจิตฟุ้งซ่านนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรม แล้วก็กลับมาได้เออกลับมาแล้วก็หายความทุกข์หายความรันเรสสงสัยหายงึกจิตเศร้าหมอไปก็เห็นมันว่าเป็นธรรมะว่าเป็นอย่างนี้จิตเผลิดทนที่จิตเพลิเดิมตัวก็หลมเป็นอาการเป็นอย่างนั้น แด้วรูอ๋อสติเป็นอย่างนั้นกลับมาจิตก็สงบดนก็เป็นสมาธิก็เป็นอย่างนั้นความโกรธความอยากความหลงก็เข้าใจความดีความเชื่อกุศลธรรมอกุสุลธรรมก็เข้าใจ เข้าใจแล้วก็เราไม่ได้จิตแล้วตอนที่ไม่เข้าใจก็เราก็ล้มไปทำนี่ทำนั่นตามสัญชาตญาณตามอารมณ์เป็นธาตุของมันธาตุของสิ่งของด้านนกธาตุของด้านในใจิตใจ แต่ว่าปฏิบัติทำแล้วก็อิสระผู้ที่มีสติรู้เข้าใจมีปัญญาว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ลน่นโตไปอีกได้ชีวิตของเราก็เลือกได้ว่าเป็นเจ้าก้อนหรือว่าเป็นทาสของมันเราเลือกได้ก็เพราะ เราก็ตื่นตัวในปัจจุบันนี้ปัจจุบันขณะนี้ก็พู้ที่มีธรรมะก็มีความสุขมีความมิสระคนที่ห่างจากความทุกข์ในช่วงขณะนี้ช่วงขณะนี้นะครับ ก็สุดท้ายนี้ก็พอสมควรเกเวลาขอให้อาทุกทุกท่านปัจใจปฏิบัติธรรมฌานสติอยามือร้านจังหวะเดินจองกรมจะได้ถึงเข้าไปมักผ่อนิพพานในใกล้ชาตินี้หรือชาติหน้าทุกท่านเธอ